ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคนเราทั้งกายและใจเป็นอนัตตากรรมจะมีได้อย่างไรใครจะเป็นผู้ทํากรรมใครจะรับผลกรรมความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ในบัทนี้แม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็ได้มีแล้วดังเรื่องในมหาปุณณมสูตรมัจิมนิกายอุปริปันธาว่าภิกษุรูปหนึ่ง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 เป็นไปได้ที่คนเขลาบางคนในธรรมวินัยนี้มีใจตกอยู่ในอวิชชาถูกตันหาครอบงำอาจสำคัญว่าคำสอนของพระศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดไกลล้ำเลยไปได้ว่าทราบกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทำ จกถูกต้องตัวได้อย่างไรเธอทั้งหลายอันเราแนะนําอย่างถี่ถ้วนด้วยการทวนถามในข้อธรรมทั้งหลายในเรื่องราวทั้งหลายแล้วจะสำคัญเห็นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจน์เหล่านั้นทูลว่าไม่เที่ยงพระโจ้า้าตรัสถามว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจน์เหล่านั้นทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพิสุเหล่านั้นทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราพิสุเหล่านั้นทูลว่า ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามก็เป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายเพิ่งมองเห็นตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้อริยสาวกโอ้ได้เรียนรู้มองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ย่อมไม่มีก่อนที่จะวิจารณ์ความตามบาลีที่อ้างข้างต้นหรือพูดถึงเหตุผลต่างๆต่อไปขอให้พิจารณาข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้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 คนได้ทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในลำน้ำเป็นอันมากตลอดเวลาทำให้น้ำาส ก, กปรกยิ่งในระยะหลังนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งมากขึ้นและปล่อยน้ำเสียลงในน้ำทุกวันทำให้เกิดเป็นพิษไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงมีปลากุ้งเป็นต้นไม่ชุมสรุปแล้วกระแสน้ำที่เรากาลังมองดูอยู่นี้ สีค่อนข้างแดงสกปรกเจือปนด้วยน้ําพิษมากมีสัตว์น้ําไม่ชุมไหลเอ่อยๆช้าๆผ่านที่นั้นที่นั้นทั้งหมดนี้รวมกันเข้าเป็นลักษณะจําเพาะของกระแสน้นํานี้ซึ่งลักษณะบางอย่างก็เหมือนกระแสน้ำโน้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ํานั้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ำโน้นแต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เหมือนกระแสน้ําอื่นใดต่อมามีผู้บอกเราว่า กระแสน้ำสายนี t t ้ช <sun> ื said, ่อแม่น้ำท like ่าวังเขาบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรกปลาไม่ชุมบางคนบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไม่ไหลเชี่ยวและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนว่าแม่น้ำท่าวังไหลผ่านถิ่นที่มีดินสีแดงมากจึงมีน้ำสีค่อนข้างแดงเราเกิดความรู้สึก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 ให้มีสีแดงเป็นต้นความเป็นไปต่างๆของมันมีผลต่อมันอยู่ในตัวเองยิ่งกว่านั้นขณะที่เรามองอยู่นั้นกระแสน้ําก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆน้ําที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมองกับเวลาต่อมาก็ไม่ใช่น้ําเดียวกันและน้ําที่เห็นตอนต่อๆมากับตอนท้ายที่เราจะเลิกมองก็ไม่ใช่น้ําเดียวกันแต่กระนั้น มันก็มีลักษณะจำเพาะที่เรียกได้ว่าเป็นอย่างเดิมเพราะองค์ประกอบต่างๆที่รวมเข้าเป็นกระแสน้ำนั้นยังคงเหมือนเหมือนเดิมแต่มีคนบอกเราว่าแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำท่าวังยิ่งกว่านั้นยังบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีกระแสน้ำไม่เชี่ยวน้ำของแม่น้ำท่าวังสกปรกปลาน้อยเรามองไม่เห็นว่าจะมีแม่น้ำท่าวังอยู่ที่ไหนต่างหากหรือนอกจากกระแสน้ำที่เรามองอยู่นั้น เรามองไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังที่ไหนที่มาเป็นเจ้าของกระแสน้ำที่ไหลยอยู่นั้นยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าแม่น้ำท่าวังไหลผ่านละลายดินแดงทำให้มันมีน้ำสีค่อนข้างแดงคล้ายกับว่าแม่น้ำท่าวังไปทำอะไรให้กับดินแดงมันจึงได้รับผลถูกเข้าลงโทษให้มีน้ำสีแดงเราเห็นอยู่ชัดๆว่ากระแสน้าที่เรามองอยู่นั้นมีความเป็นไป เป็นกระบวนการแห่งเหตุและผลพร้อมอยู่ในตัวของมันน้ำที่ไหลามากระทบเข้ากับดินแดงดินแดงและลายผสมกับน้ำเป็นเหตุผลก็เกิดขึ้นคือกระแสน้ำจึงมีสีค่อนข้างแดงไม่เห็นจะมีใครมาเป็นผู้ทาหรือเป็นผู้รับผลนั้นอีกยิ่งกว่านั้นเราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวางเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ไหนได้เลยกระแสน้าที่ไหลผ่านหน้าเราไปแล้วก็ไหลผ่านไปเลย น้ำเก่าที่เราเห็นก็ไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วมีแต่น้ําใหม่มาแทนที่เรื่อยไปเรากําหนดกระแสน้ํานั้นได้ด้วยองค์ประกอบอาการและความเป็นไปต่างๆที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาได้เช่นนั้นเท่านั้นเองและถ้ามีตัวตนของแม่น้ําท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู่กระแสน้ําก็คงจะเป็นไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้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 จะไม่มีผลกระทบต่อกระแสน้ํานั้นเลยกระแสน้ํานั้นก็คงเป็นกระบวนการแห่งกระแสที่ไหลเนื่องไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของมันอยู่นั่นเองเราแยกได้ระหว่างสมมติกับสภาวะที่เป็นจริงบัดนี้เราทั้งเข้าใจและสามารถใช้ถ้อยคําเหล่านั้นพูดได้ความสบายใจที่สมมติเรียกกันว่าคนว่าในากอคุณขอเราเขานั้นโดยสภาวะที่แท้ก็คือ กระบวนการทที่ไหลเนื่องเป็นกระแสสืบต่อกันไปไม่ขาดสายมีองค์ประกอบต่างๆมาสัมพันธ์กันอยู่มากมายมีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้นานประการสุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระบวนการมนั้นเองและทั้งที่เนื่องด้วยภายนอกเมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกระบวนการนั้นสิ่งที่เรียกว่ากรรมและวิบากนั้น ก็คือความเป็นไปตามทางแห่งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมที่กล่าวนี้ซึ่งมีความสำเร็จพร้อมอยู่ในตัวกระบวนธรรมนั่นเองโดยไม่ต้องอาศัยตัวสมมติเช่นว่าในกในขอเราเขาในสิบในพันมารับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทําหรือเป็นผู้รับผลแต่ประการใดอันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริง อันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันแต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลกจะใช้พูดตามสมมติก็ได้โดยตั้งชื่อให้แก่กระบวนธารทำที่ไหลเวียนอยู่นั้นว่าในกอในขอจมืน่นหัวหมู่เป็นต้นเมื่อรับสมมติเข้าแล้วก็ต้องยอมรับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทำและผู้ถูกทำไปตามเรื่องแต่ถึงจะสมมติหรือไม่สมมติจะรับสมอ้างหรือไม่รับ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 และต้องมีความเข้าใจสภาวะเป็นความรู้เท่าทันรองรับยืนเป็นพื้นอยู่ทั้งตัวสภาวะและสมมติเป็นสิ่งจำเป็นตัวสภาวะหรือที่นิยมเรียกกันว่าปรมัตเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนสมมติเป็นเรื่องของประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เอาสภาวะกับสมมติมาสับสนกันคือเข้าไปยึดเอาตัวสภาวะ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 ตามเรื่องในบาลีที่ยกมาอ้างข้างต้นเห็นได้ชัดว่าภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้นเอาความรู้เกี่ยวกับสภาวะตามที่ตนฟังมาเรียนมาไปสับสนกับสมมติที่ตนยึดถืออยู่จึงเกิดควา ม, ม ง, งุนงงตามข้อสงสัยของเธอถ้าคงสับสำคัญไว้ตามเดิมจะแปลว่ากรรมทั้งหลายที่อนัตตารมจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรท่อนแรก เธอพูดตามความรู้เกี่ยวกับตัวสภาวะท่อนหลังเธอพูดตามสมมติที่เธอยึดถืออยู่เองจึงขัดกันเป็นธรรมดา